ก็ในที่สุดพระองค์ก็เลือกวิจัยเลือกเฟ้นจนเจริญณาปานาสติระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาอริยสัจโดยอริยสัจนีพิจารณาอยู่4ี่ชั่วโมงพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะมาเชื่อมโยงเป็นปฏิจจสมุปบาทพลิกทั้งวัตตะและวิวัตตะก็เป็นอริยสัจแล้วก็ เจริญคุณธรรม พ, พ, พ, พ, พ่อปูนโพอนะโพธิปักกยธรรมทั้งสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มักถ้าประชุมรวมกันทํากิจกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยธรรนิโรธให้แจ้งเรียกว่าโสดาปฏิมักเนี่ยนะแล้วก็ปัจเวเอกหนาใหญ่ก็พิจรารณาอีกเนี่ยนะก็แทงตลอดอริยสัจอีกเป็นครั้งที่ 2. สองก็เป็นด้วยอนุภาพของสกทาคามีมักก็ทํากิจอริยสัจอีกเป็นครั้งที่สก็สําเร็จเป็น พระอนาคามีมาก็ปัจเจกคณายานเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เจริญเพื่อทํากิจในอริยสัสตร์เอ ก, ก่อนรุ่งอรุณเนี่ยนะก็พร้อมอรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นพร้อมกับอรหัตตผลพร้อมกับดวงอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างนั่นแหละก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นผ้าหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็อิติปิโสพะควาอรหังสัมมาพุทธคุณทั้งมวลก็เกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าพุทธาพิเศษตรงนั้นนะพุทธาพิเศษจริงๆพุทธาพิเศษเกิดจากสัจจพิเศษ อภิเสกมันก็การยกขึ้นน่ะนะแต่งตั้งให้ประสบความสําเร็จโดยสัจจาพิเศษอภิเสกทุกด้วยการกําหนดรู้สมุทัยด้วยการละนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรดุด้วยการเจริญก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกับราชาพิเศษคุณธรรมทั้งมวลก็อยู่ในเงื้อพระหัตถ์ทั้งหมดหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขควบคู่กับการพิจารณาธรรม ไม่ใช่แบบนั่งสัมผัสแต่พระนิพานเป็นอารมณ์และสบายไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนะเหมือนกับคนหลุดโลกไปเลยเนี่ยเคลื่อบเคลื่ไปแบบติดยาสิบติดเนี่ยนะล่องลอยเคลือบเคลื่ไปไม่ใช่เด็ดขาดอยู่บนท่ามกลางสติสัมปชัญญะมีนิพานเป็นอารมณ์เข้าพะละสมาบัติออกจากพะละสมาบัติก็พิจารณาริยสัจอื่นๆวิจัยใคร่ครวนใช้เวลาสี่สิบเก้าวันคนคิดอย่างเดียวสี่สิบเก้าวันเนึ่ยไม่หลับเลย สี่สิบเก้าวันแล้วเกิดเข้าพระสมาบัติแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาขนาดไหนบอกพิจารณาจนมีรัศมีว่างั้นเถอะจนมีพระรัสมีเนี่ยนะมีพระจับพันระดังสีอะ่ะพิจารณาขนาดนั้นถ้าเป็นของเราทั้งหลายนี่สงสัยไม่รู้อะไรจะอาจจะออกมานี่ขาผมเนี่ยเป็นผมขาวโพลนออกมาเลยนะตอนแรกนมอยู่ดีดเนี่ยเครียดมากขาวโพลนมาเลยอันนี้ไม่ใช่อันน่ะตรงกันข้ามพระองค์ไม่ได้เครียดแบบนั้นเลยกลับมีความสุขมากแล้วก็อยู่ด้วย ปัญญาจริงๆมีพระชาปนนรังสีประกอบสําเร็จพระพุทธคุณทุกประการอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์เมื่อสําเร็จภาวะเป็นพระพุทธเจ้าระหว่างนั้นเนี่ ย, ยไอไออัธยาศัยเดิมที่บอกว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอัธยาศัยตัวนั้ น, นกระตุ้นเตือนตลอดเวลานะมันเหมือนกับว่าการุณามาสเก็ตเรื่อยท่านตรัสรู้แล้วนะแล้วสัตว์อื่นล่ะ สัตว์รูและสัตว์อื่นนะก็น้อมไปดูสัตว์โลกปั๊บดูแล้วอยู่ครเรียกว่าแทบจะหดกลับมาเลยเนี่ยเห็นความรกชัดของสัตว์โลกนะไม่เชื่อเอางี้นะมีความรู้เออธรรมจักนี่ดีเหลือเกินบอกไปเที่ยวให้ไปสนามหลวงหรืไปควนหาเพื่อนสักคนหนึ่งคุยธรรมจักปรับประวตินะสูตรนี่จะทํำยังไงเอ า, เอาไปสนามหลวงเลยเอาทุกทิศหลังไหลมาตรงนั้ น, นอ่ะเอาเอาธรรมจักไปเลยให้หนังสือไปเล่มหนึ่งเอาไปทําดูแต่ใครทําได้เนี่ยแหมําบุญมาดีจริงๆเลยนะ กลับวัดดีกว่าเงี้ยนะถือทำมาจากไปเล่นอย่ง ไ, งไปนั่งกลางสนามลวงอุยคันหัวแขกแขกลับวัดดีกว่างี้นะก็เป็นลักษณะ น, นั้นนะไม่ใช่ง่ายนะพระองค์ก็จริ ง, รงๆอ่ะพระองค์ก็พิจารณาแล้วจะช่วยใครได้บ้างอะไรได้บ้างเนะี่ยพิจารณาออกไปทุกครั้งก็เห็นแต่ความทุกข์ยากของสัตว์เนี่ยนะแล้วก็กลับมาเจริญพิจารณาอริยสัตว์ต่อไปอีกพิจารณาธรรมต่อไปอีกเนะนี่ยนะในในอุทานเนี่ยพระองค์อุทานยาวมากเลย ปรารด ถ, ถึงความสังเวชสลดใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอุทานเนี่ยาวมากเลยในในคำพีอุทานหลังจากนั้นเนี่ยนะพอจนถึงโน่นน่ะสี่สัปดาห์ที่เจ็ดเนี่ยนะผ่านถัดจากนั้นผ่านไปแล้วนั่นแหละจึงพระองค์ก็เลยน้อมไปเพื่อที่จะไม่แสดงธรรมเนยนะก็คือรู้แล้วว่าถ้าพระองค์คิดแบบนี้จะมีผลสองประการผลประการแรกก็คือว่าเป็นนิยามของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะ ปรารคที่จะขวนขวายน้อยอันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกองค์อย่างหนึ่งและอยางที่สองก็พรมจะมาอาราธนาเนี่ยนะและกรุณาของพระองค์เองก็กระตุ้นเตือนพรมก็อาราธนาการุณาของพระองค์ก็กระตุ้นเตือนและปัญญาของพระองค์ก็วินิจฉัยตรวจเฟ้นแล้วจะมีผู้ที่บรรลุตรัสรู้แค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะก็สารวจวินิจฉัยก็รับคาอาราธนาของ พร้อมที่จะประกาศในที่สุดพระองค์ก็ได้ประกาศธรรมะที่พระองค์นั้นตรัสรู้แล้วให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามให้ผู้อื่นรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ต, ตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ประกาศสู่แรกธรรมจักเนี่ย น, นะก็คือประกาศเน้นพิเศษเลยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือข้อปฏิบัติที่ที่เจริญอรรถมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วย องแปดมัชชิมาปฏิปธรรมไม่มได้ยกตัวใดตัวหนึ่งเลยนะเห็นความสมดุลกันในอายะเมวะอริยังอัตังคิโกโมัคโคเนี่ยนะอายะเมวะบอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเท่า น, นั้น น, นะไม่ใช่ว่าเอาองคใดองค์หนึ่งนะถ้าจะตัดได้ระดับทุติยะฌานตัดสัมมาสังกัปปะออกไปถ้าจะตัดได้ตัดได้เท่านั้นจากนั้นตัดไม่ได้อีกแล้วมันต้องครบองแปดโดยปกติต้องครบองค์8 แ, แล้วมรรคแปดจะประชุมกันอย่างไร แล้วจะมารวมกันได้อย่างไงล่ะเนี่ยนะก็วิธีเจริญและสัมมาทิฏฐิองค์มรติแต่ละองค์รู้อะไรสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสัมมาสังกปะคิดอะไรสัมมาวาจาพูดอะไรสัมมากรรมตะทําอะไรสัมมาอาชีวะอาชีพยังไงสัมมาวายามะขยันทําอะไรสัมมาสติระลึกให้เป็นอะไรระลึกอะไรสัมมาสมาธินิ่งนี่มันนิ่งยังไงนิ่งทําไมนิ่งเพื่ออะไรเนี่ยนะ และเจริญพวกนี้เจริญแล้วมันจบที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็วิจัยเลือกเฟ้นว่าคิดอย่างไรจึงจะเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องและนำออกจากทุกได้นั่นก็คือความรู้ว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องในมักมีองแปดทําจักสุให้เกิดธรรมญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันต้องรู้อะไรรู้อริยสัจ มันถ้าเจริญมรรคแปดจริงก็ต้องรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เกิดยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นวันนี้ทุกทุกขสัตว์ทั้งหมดนี้ควรปริญญาควรกําหนดรอบรู้ทั้งหมดนี้กําหนดเราเอ่อนี้ทุกทุกควรกําหนดรอบรู้ทุกเหล่านั้นก็กําหนดรอบรู้แล้วเนี่ยทุกเนี่ยเป็นที่ อาทุกเมื่อกี้บอกว่าอุปาทานนักขันเป็นที่เจริญงอกงามของอุตันหาตันหาไม่ไปเกิดที่ต้นไม้ใบหญาแบบนี้ทั่วไปหรอกมันเกิดโดยอาศัยอุปาทานนักขัอุปาทานนักขันแปลว่าขันอันเป็นที่อาศัยเกิดแห่งอุปาทานแปลว่าถ้าตันหามันจะงอกมันงอกตามนี้แหละมันงอกตามรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันไปงอกที่อื่นหรอกเหมือนกันพัตันหาอันนั้นนี้ตันหาเป็นเหตุสร้าง อุปาทานเอ่อสร้างอุปาทานขาคารอุปาทานเป็นตัวสร้างอุปาทานขาคารอุปาทานขาคารเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานก็เป็นตัวสร้างอุปาทานขาคารมันก็วนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้น ไ, ไอ้ตัวอุปาทานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ควรละนะนะกิจ่อมันถ้าละได้ก็ต้องดับทุกข์ได้ก็แล้วก็ต้องอันนั้นก็ได้ละเสร็จแล้วแต่ว่าธรรมที่ละไ อ, อ้อุปาทานคืออะไร ธรรมะเป็นที่ละตันหาอันนั้นคือพระนิพพานก็แยกระหว่างวัตะและวิวัตะเสร็จแล้วข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดวิวัตะอันนั้นแหละคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดพันจ้องทำจักสุให้เกิดทำยานให้เกิดนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานมันจบต้องแทงตลอดอริยสัจมันถ้าพระองค์ไม่แทงตลอดอริยสัจดังที่กล่าวไปปฏิยานไม่ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระอัญญาโกณทัญญะฟังและเข้าใจเลยเห็นเลย เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดทุกประการก็เห็นอริยสัจอย่างนั้นจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทุกประการว่าอะไรแจมแจ้งข้อบวชเลยว่างั้นเถะเป็นพระโสดาบันแล้วบอกคนอื่นก็เข้าใจอีกแล้วประกาศอนัตตลักษณะสูตรเน้นทำกิจในเน้นทำกิจเพื่อละฉันทราคะในอุปาทานขันห้าระรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรจบท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์กันแล้วค์ก็ประกาศอริยสัจอย่างนี้มาเรื่อยๆโดยลําดับ แต่เทศนาวหารอาจจะต่างกันไปย่อบ้างพิสดารบ้างปานกลางบ้างตามจิริตและอัธยาศัยประกาศอริยสัจอย่างนี้เนี่ยนะอริยสัจทั้งสี่เนี่ยจะกล่าเวเป็นเหลือสองก็ได้เรือแต่ทุกข์กับความดับทุกข์นั่นนะเน้นอะไรเน้นทุกขสัจกับนิโรสัจจะทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็สอนแต่ทุกข์กับความดับทุกข์แต่แต่สอนก็คือมรรคสัจจะเพราะสอนให้คนเห็น ไอ้มักเนี่ยมีความหมายว่าเห็นก็เห็นอะไรเห็นทุกข์ก็เห็นความดับทุกข์ข้อปฏิบัตินั้นก็คือเห็นทำจากสุให้เกิดแล้วถามว่าตามองดูนี่ต้องไปทํำยังไงก็เห็นเนี่ยทำมาทิฏฐิก็แปลว่าเห็นจากสุก็แปลว่าเห็นทำจากสุให้เกิดยานก็แปลว่ารู้นะรู้โดยประการต่างๆเนี่ยปัญญาก็รู้โดยประการต่างๆหรือรู้ทั่วเนี่ยนะแล้ววิ ช, ชาก็กําจัดอวิชชาออกไปได้ นั้นพงศ์ก็สอนแล้วก็มีคนที่เขาเข้าใจตามโดยสัมมาทิฏฐิตามแต่ก็ไม่ใช่ว่ามักเดียวนะต้องครบมีองแป8ดมีผู้ที่เจริญตามพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลไล่ตั้งแต่เด็กอายุห้ขวบเจ็ดขวบเลื่อยมาจนถึงอายุ120ปีแล้วนะไม่ขวบละอายุ120ปีก็มีผู้ที่บรรลุตามเยนะพวกพราหมณ์ภาวรีนี่ฟังธรรมตอนอายุร้อยนางวิสาขาฟังธรรมตอนอายุ7ขวบ แล้วก็มีสัมมเณรรูปหนึ่งเป็นพระอาหานตั้งอายุห้าขวบเนี่ยนะก็ตั้งอายุห้าขวบไปจนถึงร้อยี่สบทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบรรลุกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะเหลือแต่พวกเราเนี่ยนะมันข้างดาวข้างเดือนข้างฟ้าข้างดินมาได้ยังไงไม่ทราบเพราะอะไรทําไมเราไม่บรรลุกนะัเกิดอะไรขึ้นนะดูว่าเพราะเพราะอะไรก็เพราะเดี๋ยวเนี่ยเลิกเรียนปั๊บจะรู้เลยว่าทาไมจึงไม่บรรลุกนะันน่ะ ก็ค I mean. really ิดแบบเรานี <s Elliott ills> ่เลยะมันก็เลยไม่บรรลุนะเมื่อไรจะคิดแบบพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็บรรลุได้เพรางั้นคิดแบบเราพูดแบบเราทําแต่แบบเราเนี่ยนะเออแล้วพระพุทธเจ้าให้ที่เราทำอย่างนี้มันถูกตามหรือไม่ถูกเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าต้องหันมาหาเราหรือว่ารันเราหันไปหาพระพุทธเจ้ากันแน่เนี่ยนะคิดไปคิดมาวิจัยแล้วนะบอกสมควรนี่แหละยุติธรรมที่สุดเนี่ยนะถ้าเกิดเราทําตัวแบบเราแล้วบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าในเขามาจะแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น เอ๊ะของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ทาตัวแบบเราแต่บรรลุของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าทบทวนเหมือนกันแล้วพระธรรมเหล่านั้นที่พระองค์ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยตลอดระยะเวลากี่ปี45ปีตลอดระยะเวลา45บ้าปีเนี่ยนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนับเป็นหนึ่งคำสอนนั้นมีรสรสเดียวเท่านั้นคืออวิมุติรสหลุดพ้นจากทุกข์นะ วิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจากชาติชารา ม, มรณะหรือหลุดพ้นจากสังสารทุกข์แบ่งเป็นสองคือธรรมกับวินัยแบ่งเป็นสปฐมพุทธพจน์มัชชิมพุทธพจน์และปัจฉิมปทุพพุทธพจน์หรือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกหรืออภิธรรมปิฎกแบ่งเป็นห้หกองนิกายเรียก ว, ว่ากองหกองนะกองแห่งกองที่ยาวๆท่าปานกลางเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าทีคณิกาย ม, มนิกายสังยุตอังคุตคุตการนิกายนี่นแล้วก็แบ่งออกเป็น องเรียกว่าองเก้าสุตะเคยะเป็นต้นแบ่งเป็นเล่มเลมก็เท่ากับที่เราเห็นเนี่ยนะธรรมาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าพิมพ์หมดไม่มีปยานก็เยอะกว่านี้เยอะแต่จริงๆนะดูน้อยก็เพราะว่าเปจุดๆๆเก้ารอเก้าเนี่ยนะเปช่วยไว้เยอะเนี่ยนะถ้าไม่มีตรงนั้นแหละหมายปฏิสัมพิธามมักอาจจะนาเกือบตอนนี้มันก็เกือบคลือบอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะศอกเงี้ย น, นะถ้าไม่มีเปไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ อภิธรรมพิดกคัมภีร์ปัจฐานอาจจะมาตั้งแล้วไม่มีเปไม่มีจุดเนี่สงสัยจะท่วมหัวเหมือนกันนะก็นั่นแหละแล้วถ้าตําราทั้งหมดเนี่ยโอ้ยสูงท่วมหัวเลยนะเยอะมากแต่ว่าเปช่วยไว้เยอะเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าเทศบอกรู้กันอยังไงนะไม่มีพูดพิสดารหมดทุกประการเสร็จแล้วพระธรรมทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ตามพระพุทธเจ้ามีผู้ที่ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ข้อปฏิบัติเนี่ยนะเขาเรียกว่าลำดับลำดับของการปฏิบัติอย่างไรก็ขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าลำดับของความเข้าใจในภาษาศาสนาต้องมาจากสัมมาทิฏฐิคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมา ธ, ญญามาธิก็วนอย่างเงี้ยเป็นอาการของธรรมจักรที่เจริญโงอกงามเป็นต้นไปทีนี้การปฏิบัติเป็นผลผลิตของการของคําสอน การปฏิบัติเป็นผลผลิตของคำสอนคำสอนเป็นผลผลิตของการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยเป็นอารัมมะปัจจัยมีนิพพานเป็นอารัมมะปัจจัยนิพพานเป็นอารัมมะปัจจัยของการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ย เ, เป็นปฏิปทาเพื่อพระนิพพานแต่นิพพานเนี่ยเป็นอารัมมะปัจจัยแห่งการ ตรัสรู้เมื่อมีการตรัสรู้ขึ้นก็มีการประกาศวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้มีผู้ปฏิบัติแล้วมาตรัสรู้ก็คือจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอย่างลงสู่พระนิพพานมีพระนิพาน พ, นพานหรือมีอมะตะนิพพานเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าปฏิบัติสร้างบารมีจนได้ตรัสรู้พระนิพพานและชํานาญพิเศษเรียกว่าเป็นคนพิเศษที่จะบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อ ตรัสรู้พันิยภานแล้วก็เอาข้อปฏิบัติวิธีการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้นิพพานมาสอนแล้วก็มีผู้ที่ทําตามแล้วก็ตรัสรู้ตามและพระองค์ก็ทํากิจบอกบอกกล่าวสั่งสอนเนี่ยนะในฐานะโอวาทโกเนี่ยผู้โอวาทอนุศาสตร์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เรียนได้ฟังได้สดับพระธรรมคําสอนจนได้ตรัสรู้ตามพระองค์